เป็นผู้กระยิมคําคว่ากระยิ่มภาษาภาษาภาษาโบราณนะครับว่าเหมือนสัตว์นรกกระยิ่มผู้ที่จะจะไปสวรรค์ฉชนั้นคําคว่ากระยิ่มตัวนี้แปลว่าอยากเป็นอย่างนั้นบ้างนะเมื่อฟังเขาบอกว่าผู้ที่ระลึกแบบนั้นเนี่ยต้องมีใจบอกอยากเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอย่างพูดทุกคนจะกระยิ่มในพระพุทธเจ้านะอธิบายว่าปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้ากระยิมในภาษาริบุตรก็อยากจะเป็นเช่นกับภาษาริบุตรถ้าเรากระยิมในพระริยเจ้าจะไปไหนใช่ไหม เราก็ใฝ่ฝันปรารถนาที่จะเป็นพระอริยเจ้าคงไม่ใช่อนุรักษ์นิยมอะไรเนาะก็เรามันปุตตุชนคำว่าเัิน <c oughs> ไม่รู้อนุรักษ์ไป้ทำไมก็ไม่รู้ที่จริงก็พร้อมจะแก้ไขนี่แหละมันนะนะไม่ได้คิดจอนุรักษ์โล ก, ก <c oughs> ดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมระลึกถึงศีลของตนศีลของตนนะเรามีศีลแค่ไหนหนึ่งสอสามสีห้าเรามาไล่ดูห้าหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยไห ก็ไล่ดูว่าเราเลือกถึงศีลของตนเนืองเนืองนึกถึงศีลทหารมันจะต้องรักษาศีลขนาดไหนจึงสามารถนึกถึงศีลได้บ่อยๆไม่ใช้นึกหนึ่งสองสามสีหจบเลยนะแล้วแต่ละข้อเนี่ยนะมันขยายผลไม่แค่ไหนกว้างขวางขนาดไหนก็นมาไล่ดูนะศีลทุกข้อไม่ขาดไม่ดงังไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยอันตันหาและทิฐิไม่จับต้องไม่ยึดถือเป็นศีลที่วินยูชนชมเชยสรรเสริญพระพุทธเจ้ารับรองว่าเออศีลของเธอดี นะยอมพระผท้เจ้าหมายคือว่าศีลของเราเนี่ยนะเอางไงว่าเราคิดว่าพระพุทธเจ้าจะอนุโมทนาไหมที่เรามีศีลเนี่ยนะ ก, ก็ถามถามใจด้วยความสุจริตใจจริงๆว่าศีไลไร่แล้วนั่นหนึ่งสองสามสีห้าเนี่ยนะพระผท้เจ้าท่านอนุโมทนาไหมเขาบอกว่าตัวรู้ฉันใดเทพเจ้าก็รู้ฉันนั้นเทพเจ้ารู้ฉันใดตัวของตัวก็รู้ฉันนั้นว่าเราอบอุ่นใจขนาดไหนในศีลของเราเนี่ยนะมั่นใจขนาดไหนใน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 สีลานุสติก็เป็นเครื่องอยู่อีกอันหนึ่งเป็นไงนะด้วยการตามระลึกนึกถึงกุศลศีลของตนดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยาสาวกย่อมระลึกถึงศีลของตนเนืองๆสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุ ม, รมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียว ก็อริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปราลบพระตถาคตย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีเมื่อใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมสวยสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามานีอะตามาผ้ากล่าวว่าอริยาสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในหมู่สัตว์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 ก็ระลึกถึงคุณงามความดีบุญที่ตัวเองได้เจริญศีลที่ตัวเองได้ปกปักรักษามาดูกอนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยส า, าวกย่อมระลึกถึงการบริจาคของตนหนึ่งๆกระกระจาขานุสติระลึกถึงการบริจาคที่เคยให้ไปเนี่ยนะที่เคยให้ล้วทบทวนดูนะว่าไปให้ที่ไหนอย่างไรเมื่อไร่เป็นต้นเนี่ยนะนแล้วก็นึกนึกว่าอย่างไรนึกว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอ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 เขาต้องการเราก็ไปให้เป็นต้นเนึกถึงการให้นึกถึงการบริจาคเนื้อถึงการเสียสละว่าเราได้ดีแล้วเป็นลาบของเราแล้วเป็นบุญของเราแล้วที่เราได้มีโอกาสให้นะที่เราได้มีโอกาสให้ดีใจภูมิใจสบายใจมีความสุขใจที่ได้ให้ดีใจอย่างนั้นเนี่ยนะ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 ดุ ก, ก่อนมหานามะสมัยใดอริยาสาวกย่อมระลึกถึงการบริจาคของตนอยู่เนืองๆอย่างนี้สมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นไม่ถูกราคะกลุ้มร่มไม่ถูกโทสะกลุ้มรมไม่ถูกโมหะกลุ้มร่มย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารบการอร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 นะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะท่านพระองค์จึงสอนให้เจริญจากรานุสติถ้าไม่เคยให้ อ, อะไรมาเจริญที่นั่นเราก็ไปขอมาที่นี่เราก็ไปขอมาถ้าอย่างนี้มันจะได้อะไรจากานุสติไหมที่คนนั้นเราก็เคยอ้อนวอนนะเราเคยขอเขานะคนนี้เราก็เคยขอเจริญจากานุสติได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้เนาะอันสุดท้ายดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยส า, าวกย่อมเจริญเทวตานุสติ เทวตานุสติฟังให้ดีนะไม่ใช่สาทู่ขอให้ลูกช้างโปรดลูกช้างลูกม้าลูกหนูอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะคําว่าเจริญเทวตานุสติระ ล, ลึกถึงเทวดาหมายคําว่าระ ล, ลึกถึงเทวดาเนืองๆว่าเหล่าเทวดาชั้นจาตุมดาวเดืองยามาดุสิตนิมมานารดีปรณิมมิตรวะสวัตติจนถึงเทวดาเหล่าพรห ม, มากายยิกามีอยู่หรือที่สูงกว่าพรหมเหล่านั้นมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาชั้นดาวดึงอชั้นก่าตุมเขามีศรัทธาเขาก่อนหน้านี้นะเทวดาเหล่านั้นก็ไปจากมนุษย์นี่แหละนะตั้งแต่จาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมานารดีปรินิมิตาวสวัสดีพรหมปรัมปาริสัชาพรหมโปรหิตามหาพรหมาประประิปร ตาพาปริตตสุภาอ ป, ปมาณสุภาสุภกินมหาเวหพลาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสุดภาวาท่านเหล่านั้นอดีตท่านก็เป็นมนุษย์เช่นเรานี่แหละแต่ท่านเหล่านั้นมีศรัทธาเช่นใดแล้วไปเกิดนะที่นั้นศรัทธานั้นเราก็มีอย่างนี้นะมั่นใจขนาดนั้นเลยนะคนที่มีมีบุญเจริญบุญจริงๆเขามั่นใจอย่างนี้จริงๆนะเขาเจริญแบบนี้จริงๆว่าเขาเหล่านั้นมีศรัทธาเช่นใดเราก็มี เทวดาเหล่านั้นเนี่ยนะสมัยเป็นมนุษย์เขามีศีลเช่นใดตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดณที่นั้นนั้นศีลเช่นนั้นเราก็มีเหมือนมีมานะนะแต่ไม่ใช่มานะเพราะปรารบถึงตัวกุศลธรรมนะท่านเหล่านั้นมีสุตะเช่นใดอุบัติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในเทวโลกเช่นนั้นเช่นนั้นสุตะอนั้นเราก็มีท่านเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดณที่นั้นจาคะเช่นนั้นเราก็มีนะ เทวดาเหล่านั้นเนี่ยนะประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วนั่ไปสู่ณเทวดาชั้นนั้นๆแม้ปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่เนี่ยนะไม่ใช่อ่อนวอนนะไม่ได้ขอร้องเทวดาอะไรสักนิดเดียวนะเทวดาเป็นพยานตัวท่านเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจารคามีปัญญาเช่นใดเราก็มีเหมือนท่านนะประกาศขนาดนี้เลยนะมั่นใจขนาดนี้ท่านอนาถะท่านมีศรัทธาเช่นใดตายจากมนุษย์ไปเกิดในดุสิต ข้าพเจ้าก็มีเหมือนท่านนะไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวเท่านั้นที่มีศรัทธามีศีลเป็นต้นเนี่ยนะเราก็มีเช่นท่านนะมั่นใจขนาดนั้นไม่ใช่ธนานาธาท่านจะสงเคราะห์อะไรข้าพเจ้าบ้างไหมอย่างเ้ม่เคนละอย่างกันนะเทวตานุสตินะเนี่ยเป็นการที่เรียกว่าปรารถถึงคุณธรรมของตนอ่ะที่คู่ควรที่ได้ไปเกิดณที่นั้นดูก่อนมหานามะ สมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาระะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นเนืองเนืองนะคือเห็นเลยว่าเทวดาทุกชั้นก็มีศรัทธาศินสุตะจาระฆะปัญญาเราเองก็มีศรัทธาศินสุตะจาระะและปัญญาถ้าระลึกอย่างนี้ได้เนืองเนืองสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้น ไม่ถูกราคะกลุ่มรมไม่ถูกโทสะกลุ่มรมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดําเนินไปตรงทีเดียวก็อริยะสาวกผู้มีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารบเทวดาย่อมได้ความรู้อัดได้ความรู้ทำํำได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรม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 วิหารเนี่ยถ้าภาคเหนือเนี่มาแบบเป็นที่ที่มันมั่นคงแบบที่อยู่ลบแดดหลบฝนหลบร้อนหลบหนาวสบายอยู่ดีมีสุขเลยแบบนั้นฮะเนี่ยคือเราแบบวิหารแปลว่าที่อยู่นะวิหารก็คล้ายๆกับโบสถ์นั่นแหละแต่ไม่ใช่โบสถ์วิหารเขาจะสร้างหน้าพระเจดีย์นีะโบสถ์ก็จะสร้างไว้ต่างหากอันถ้าเรามีวิหารธรรมดังที่กล่าวไปก็ถือว่ามีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคงอนะยังไงยังไงก็จะให้ลมปากมันเป่าถ้าเปลวว่อนไปหมดเลยนะ เป่าพ่วงหมดศรัทธาในาพระพุทธเจ้าเลยนะเป่าอีกพ่วงหนึ่งหมดศรัทธาในาพระธรรมเป่าอีกพ่วงหนึ่งหมดศรัทธาในาพระสงฆ์เป่าอีกพ่วงหนึ่งปิดสนิทเลยอย่างนั้นะแต่อ ย, อ, ยอย่าได้อย่างนั้นเลยเนี่ยนะอย่าให้ใครมาเป่ามาเกสกซะจนหางกาพระัตนาตรายเลยทัานขอให้เราเนี่ยมีพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติเพราะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยาสาวกพระอริยสาวกผู้มีเครื่องอยู่เหล่านี้